ดับไฟแคนพระครูอรลัญญะกิ จ, จกโกสลพุทธาพันธะจิตโตวัดป่าหนองยาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้ฟังติดทอดมาจากหลวงพ่อกี่ว่าไม่อยู่ครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์เท่าไปภาวนาอยู่ป่าแห่งหนึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ใด้วย อ, อุบาทที่แยบยนของครูบาอาจารย์เท่าจึงกลับใจคนได้ คือมีพ่อค้าขายของสิ่งต่างๆเดินทางไปขายของกับคณะเดือนสองเดือนจึงจะกลับครั้งหนึ่งได้ปล่อยให้เมียเฝ้าบ้านพร้อมญาติพี่น้องสามีนั้นไม่ได้ขายของหมดแล้วจึงได้เดินทางกลับเพื่อนำเงินทองที่ได้มาฝากเมียผู้เฝ้าบ้านคอยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เพื่อบำรุงและบริหารการบ้านให้ไปได้ด้วยดี คอยสามีผู้กลับมาจากแดนไกลแต่ในระหว่างการไปครั้งนี้ผู้เป็นสามีไม่เอกใจเลยว่าจะเกิดหลังร้ายขึ้นกับตัวเองเมื่อกลับมาถึงบ้านแทนที่จะได้รับการต้อนรับจากแม่สีภรรยาเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่ได้รับการต้อนรับครั้งนี้คือความแค้นเมื่อทราบข่าวว่าเมียรักได้กลนทรัพย์สินที่หามาได้ตามชายชู้ไป ด้วยความแค้นที่ถูกเหยียดหยามจึงได้รวบรวมพักพวกพร้อมอาวุธครบมือเพื่อชำระนี้แค้นได้รอนแหลมไปตามหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆที่คิดว่าเมียและชายชูจะไปวันหนึ่งตอนบ่ายเจ็ดแก่พระเอิญวันนั้นผู้บายจามเท่าได้ปรักฏและเดินจงกรมรอยู่ชายป่าที่พค้าจะผ่าน กลุ่มชายพ่อค้าตามหาเมียและชายชูไม่พบเมื่อเห็นครูบาทจานเท่าจึงคิดว่าพราะทุดวงรูปนี้ท่านเดินทวดดงตามที่ต่างๆท่านคงจะเห็นคนเดินผ่านไปแน่ด้วยที่มีจิตยังมีความเลื่อมใสในพระเจ้าพระสองฆ์อยู่จึงได้ซ่อนอาวุธไว้ก่อนแล้วปรับเครื่องแต่งตัวใหม่จากเสือร้ายกลายเป็นผู้ใฝ่ธรรมโดยนำผ้าขาวมา้ามาผาดบา พร้อมกันไปกรับครูบาอาจารย์เท่าในขณะที่ท่านก็มาเดินจงกรมอยู่ย่งไม่ทันที่ชายเหล่านั้นได้ถามครูบาอาจารย์เท่าก็ทักก่อนว่าลูกเอ๋ยตามที่พวกลูกจะไปทําอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมลูกเอ๋ยชายเหล่านั้นถึงกับอืง้งหน้าเปลี่ยนสีไปเลยเมื่อได้ยินครูบาอาจารย์เท่าพูดดักใจอย่างนั้น ใหูบาอาารเท่าได้โอกาสที่ได้พูดต่อไปว่าเอินผาหน้าไม้ที่พวกลูกเสี่ยงไว้ให้วางมันยังได้กลับมันอีกเลยพราูเบิ้ที่พวกลูกมานี่เพื่อจิตอันใดในใจของพวกลูกก็ดังโหมด้วยไฟร้อนการแก้แค้นนั้นมันก็่ได้เป็นการแก้แค้นด้วยลูกแต่มันกลับเป็นการเพิ่มฟูนบาปกรรมให้หลายคืนซื่อ เมียของลูกที่มีตามชายชูไปนั้นในอดีตชาติแท้จริงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันกับลูกคนถ้าลูกตามเขามาได้ก็จะได้นางผีร้ายกลับมาเขาเฮ็ดกับลูกแค่นี้ลูกก็ยังเจ็บจนทนกว่ได้แล้วที่นำเขามาเฮ็ดอย่างปล่อยเขาไปซะลูกเอ๋ยพ่อว่าในขณะที่ครูกบาดเจ็เท่าก็พูดเตืนเนอนตปวเองนั้น ป่ายพ่อค้าได้นั่งกลมหน้าพิจารณาตามคำพูดคู่บาจารเท่าผููบาจารเท่าคู่จบฝ่ายพ่อค้านั้นถึงกับได้ต้องกลั่นแทบเ้าผููบาอจารเท่าพร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นใจที่เกือบได้สร้างกรรหนักและเสียงใจที่เยียบบรงพาทําได้ขนาดนี้เพื่อสงบสติอารมณ์ที่ได้เอ่ยปากขอบวช ติดตามครูบาอาจารย์เท่าในเวลาต่อมาส่วนเพื่อนที่ติดตามไปด้วยได้ร่ำลาต่างเสียกันกลับบ้านบอกข่าวกับทานบ้านส่วนลูกศิษย์ที่จับใจได้ขอครูบาอาจารย์เท่าท่านได้ไปฝากกับพระอีกสัมนักหนึ่งแล้วท่านได้ไปดต่อไปตามจดจิตเดิมที่ท่านเคยทำมาโดยไม่ชอบให้คนอื่นติดตามไปด้วยเพราะกลัวคนอื่นจะลำบาก และไม่ชอบติดตามตายไปถ้าไม่จำเป็นเศรุปสัตต์ของการภาวนาคุบาอาจารย์เข้าได้ลประสบการณ์การภาวนาของท่านให้ลูจิตฟังเพื่อเป็นอุบายสอนใจในการปฏิบัติต่อไปเจาะท่านได้ผ่านอุปสัตต์แบบนี้มาก่อนเช่นครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านออกผุ้ดงอยู่ที่ภูเขาลูกเหน่งท่านได้กักอด แะเดินจงกลมทั้งวันทั้งคืนไี่เกิดนี้เป็นยักษ์ตวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมากตัวเท่ า, ขขาุกเขาที่จะโดดมาขวางทางเดินจงกรม่ห้กูบาดจามเท่าซึ่งมีสติพร้อมอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะทำอินเดระเลยจึงคาตรัสขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับท่าไม่ดับถรืว่าสิ่งนั้น เป็นสิ่งรวมด้วยปัญญาอันแยบขายของผู้บาอจารย์เท่า่ินตโกนอยู่คนเดียวในป่าว่าผีบ้าหน้าหมามึงตัวกูยักษ์ผีบ้าหน้าหมามึงตัวกูก็อยู่อย่างนั้นจนิ น, นิดนั้นป็้เลื่อนหายไปและอีกครั้งหนึ่งผูู้บาอจารย์เท่าท่านทุดงพักปักฏที่ภูเขา ที่มีไม้ไผ่ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ใดขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้นได้มีใบไผ่รุลงลงมามากมายหมุนรอบเหนือทางจงกลมท่านและใบไผ่นั้นก็กลายเป็นฝาหลดหน้าน้อยลอยหมุนอยู่อย่างนั้นอากาศกา็กลายเป็นน้ำด้วยประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งจึงเตื่นเตนเหมือนอาวุธในการปันฝาภู菩萨น้อยใหญ่ ให้ท่านได้เป็นอย่างดีท่านได้ร้องตะโกนขึ้นอยู่คนเดียวว่าใบาไผ่ผีบ้าหน้าหมาโคตรพ่อโคตรแม่มึงมึงตัวกูใบไผ่ก็เป็นใบไผ่อากาศก็เป็นอากาศมึงอย่ามาตัวกูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนนิมิตนั้นเลือนหายไปใบไผ่ก็ปลิว เป็นใบภายตามธรรมชาติไม่เห็นว่าจะหมอนเป็นปลาอะไรอากาศก็เป็นอากาศเช่นเดิม11การต่อสู้การบราระคาการผ่านพ้นอุปสรรคแต่ละครั้งต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากในการประหัดประหารกับอุปสรรคบางครั้งต้องเอาชีวิตเข้าแลกและนี่ก็เป็นอุปสรรค อีกอย่างหนึ่งของครูบาอาจารย์เท่าถ้าเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าครั้งหนึ่งขณะเดินจงกลมอยู่จิตเกิดฟงสา้านการบาราคะเข้าครอบงำด้วยความที่การต่อสู้อุปสรรคแต่ละอย่างอย่างห้าวหาญและเด็ดขาดเป็นคุณสมบัติประจำตัวองค์ท่านท่านขวาขวานเก่าขึ้นสนิมเกลอะไดเดินตรงรีดด้วยความฉุนเขียวคล้ายจะไปฆ่าใครสักคน พอไปถึงขอนไม้ผูกได้ใช้ขวานนั้นจับไปเต็มกำลังพร้อมทั้งร้องทั้งด่าไปเหมือนกับระบาดความโกรธว่าโคตรพ่อคนแม่มึงมึงสิไปสร้างโลกโลกกาทางไหนมึงจะคูอยู่บ่มันทุกโคตรพ่อคุณแม่มึงทั้งกับทั้งร้องตะโกนทําอยู่อย่างนั้นจนตัวท่านเองหมดแรงขอนไม้ก็ไม่ขาดเพราะขวานก็เก่าขึ้นสนิมแรงก็หมด ความกำหนัดจึงหายไปสิองผู้บาจารย์เท่าอย่าเึกผู้บาจารย์เท่ามักจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าการพูดคุยถ้ามากเกินไปจะไม่เอื้อในการปฏิบัติยิ่งการพูดแล้หยิบเอาธรรมะมาพูดคุยกันยิ่งจะเกิดอันตรายถ้าผูพ้พูดผู้คุยนั้นไม่มีความลึกซึ้งในข้อธรรมนั้นพอ แต่คมโบราณท่านว่าสิบยสจะตีจะฆ่ากันให้เอาไม้พยุงไม้ย่างตีอย่าได้เอาตำดาตีแทนค้อนคืออย่าอ้างตำรามาพูดเพื่อแข่งดีแข่งชนะกันในช่วงหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่มั่นบังเอิญว่าในช่วงนั้นที่พระจะนั่งจัดกลุ่มคุยพูดกันตามภาษา พระยังใหม่ในพระธรรมวินัยเมื่อพูดไปจุดเรื่องธรรมอื่นันเข้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเริ่มเสียงดังมากขึ้นเรื่อนและได้มีพระรูปหนึ่งได้หยิบหนังสือแล้ ว, วัตถุวาดมาให้ดูเป็นหลักฐานเพื่อตัวเองจะได้เป็นฝ่ายชนะเพราะที่หลักฐานประกอบณจันทร์นั้ น, น, นเรื่องก็อย่างไมยุติมีท่าทีว่าจะบานปลายจากการพูดเป็นการคุย จากการคุยเป็นการโต้าแยง้งจักการโต้าแยงกลาเป็นการโต้เถียงเรื่องทำท่าว่าจะวางหมวยกันพอดีตุบาอาจารย์เท่าก็รู้มาจากไหนเดินตรงรีบเข้ามาพร้อมกับค้าหนังสือทำท่าเหมือนเชตูดแล้วยกทิ้งต่อหน้าพระทั้งสองพร้อมกับพูดว่าเปิกข้านี่และวพูดเป็นไงกรอบว่าอย่าทําเหมือนเป็อาจารนะมันเป็นบาป เำืหอพระทั้งสองนั้นตื่นจัดวางมวยมายืนดูครูบาทาจารเท่าท่านเอานังสือเชิตุกเพราะสุดท้ายพระทั้งสองทิ้ได้วสงบลงสิบงามหอมผู้บ่าวหลวงู ก, กิ น, นรีจันทโยวัดนันต์ศรีลาว่าอำเภอ่านพนมจังหวัด น, นครพนมเล่าว่ากล่าวใดครูบาทาจารเท่าของรัฐ ได้กลาวฟังธรรมะหลงปู่มั่นข้ามกลางหนุงง่สโฉมนลวงปู่มั่นชอบเอ่ยชื่ออายุตัวอย่างท่านให้พระเนรฟังบ่อยและมีบางครั้งท่านต้องได้รับคําสั่งให้ตวรวจดูพฤติกรรมของพระเนรที่นอกลูนอกทางพระธรรมอุไนจึงเป็นเหตุให้เป็นที่จมเกลียดจงชังแก่พระเนรไม่น้อยปล่อยคั้งในท้ามกลางสงที่หลงปู่มัน่นได้มอบหมายงานต่างๆ ใุบาอาจารเท่าเพราะครูบาอาจารเท่าเองเป็นคนที่นิเ่เงยตัวไทยไม่วจะร้ายประการใดตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอวั้งหนึ่งหลวงปู่มันเสลียวมาทานครูบาอาจารย์ขอรัฐพร้อมกับเบียกซื่อธนว่าทองรัาโดยคือขอรับประหงุครบาอาจารย์เป็นมือรับ เดี๋ยวนี้พระเนมเราไม่เหมือนเดิมซึ่งใช้สัง่งๆเช่นระบูผงซัก้อมันหอมผิดวิสัยที่ส ม, มณะจะใช้ไม่รู้จักแก้อย่างไรแล้วต่อมาวันหนึ่งอูบาอาจารย์ทองดั้งอยู่ภายในวัดมีกลุ่มพระที่สูกสองถึงูปเดินผ่านท่านกลืนสะ บ, บูหอมจน ต, ติดสมูกเหมือนกับที่หลวงปู่ ม, มันพูดจริง ผู้บาจารทงรับร้องตัะโกนที่ถึงอันดังว่าโอ้หอมหนุ่มจังโวย้ยหอมหนุ่มจังโว้ยทําให้พระกุ่มนั้นแย่งกลัวท่านมากไม่กล้าสู้นายอีกเลยพระครูกรมลภาวนากรวัดภูหลนอาเภอโขงเกียมจังหวัดอุบลรัชธานีได้ฟังตึกข้อจากรหลวงพ่อกิจเล่า ว, ว่าในเรื่องการใช้ส บ, บู่ผมสักฟอก รูบาจจารย์องรับท่านเข้มงวดมากโดยเฉพาะสบู่ส่วนมากท่านจะไม่ใช้ถ้าใช้ท่านจะให้ตัดแบ่งเครื่องก่อนและสบู่นั้นต้องไม่มีกลิ่นหอมและท่านถือว่าถ้าสบู่ที่ยังเป็นก้อนสมบูรณ์อยู่ทำให้จิตใจฟู ด, ด้วยีิเรศพอใจขึ้นมาได้จ4สผงเข้าตาตามพระธรรมวินัยกำหนดหรือว่า สิ่งที่อนุโลมไม่ต้องประเคนคือน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม้เจียคือแปลงสีฟันทำด้วยไม่ค่อยไม้คนทาไม้ดิคนและไม้อื่นๆส่วนมากมีรสขมที่มีขนาดยาวไม่ต่ำกว่าสี่นิ้วและยาวไม่เกินแปนิ้วครั้งหนึ่งหลวงปู่ทองดีซึ่งเป็นศัสตร์ธรรมมีของครูบาอาจารย์ทองรัฐซึ่งปกติท่านจะกระทาการต่างๆด้วยความรอบคอบเสมอ แต่วันนี้ไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรจึงด้พลาดคือเมื่อฉันพัตนาหารเสร็จพระเนรได้อุปถาตามธรมนักกิจโดยถวายน้ำบ้วนปากและไม้เกียบังเอิญว่าไม้เกียตั้นไปขณะแปลงปันอยู่นั้นไม้เกียร์ได้หลุดมือร่วงไปติดที่ลำคอทำอย่างไรก็ไม่ออกต้องทนทรมานอยู่นานก็ไม่ออกจนครูบาอาจารย์ทองรัตได้มาเจอเข้า เห็นอาการก็ทราบว่ามีอะไรติดคอหลวงปู่ทองดีคู่บาอาจารย์ทองรัตเลยให้สติไปว่าโอ้ยยาท่านดีเหลือแต่ปฏิบัติมาได้ตั้งหลวงตั้งหลายและลายเหล็กและลายขางได้เป็นอย่างบอกเอามาใช้หลวงปู่ทองดีจึงได้สติได้นั่งกาหนดสติชั่วขณะไม้เกียนั้นแต่ละลายไปโดยไม่น่าเชื่อสิบห้า มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกายจากหนังสือชูอจินโนนิสอนของหลวงปู่แหวนชูจินโนวัดดอนแม่ฝังจังหวัดเชียงใหม่เล่าเรื่องและติกรรมว่าเดิมหลวงปู่แหวนออกปฏิบัติใหม่ๆเกิดความสงสัยไม่สบายใจในเรื่องนิกายทั้งสองซึ่งในช่วงที่หลวงปู่แหวนไปอบรมปฏิบัติธร m, รมกับหลวงปู่ม่นนั้นมีพะมระสกายหลายรูปด้วยกัน ที่ยังไม่ยติเมื่อเกิดกายเคลือบแคลงสงใจยอยู่คอยเป็นเหตุให้การปฏิบัติติดขัดไปด้วยวันหนึ่งจึงเข้าไปกราบพอยติกับหลวงปู่มัน่นแต่รูปด้วยกายผลปรากฏว่าบางรูปท่านไม่อนุญาตบางรูปท่านอนุญาตส่วนหลวงปู่แหวนท่านได้อนุญาตเฉพาะรูปที่ท่านอนุญาตท่านให้เหตุผลว่าถ้าภาคการมยติ เป็นพระธรรมยุทธ์หมดเส็จแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนําการปฏิบัติมักผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายหรอกแต่มักผลขึ้อยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอมนม้แล้วละในสิ่งที่ควรละเวน้นในสิ่งที่ควรเวนเ้นเจริญในสิ่งทีค่ควรเจริญนั่นแหละทางดําเนิน ไสู่มรรคผลนิพพานบรรดาสิทธิฝ่ายมหานิกายทิฏฐันได้นิยัตทยติตอนนั้นมีหลายรูปและทิฏฐันไม่นุญาตทีท่านอาจารย์ของรัตเป็นต้น16นิกายเดียวกันลูกิจอขีมุตตโมลเล่าว่าเรื่องเกี่ยวกับนิกายทของสองทั้งหนึ่งูบาทจากเท่าท่านปรกาศเมงกูมัน่นได้มีพระเนม นักผู้สนทนาที่ภาควิจารณ์กันเถ็นเรื่องนิกายทั้งสองได้ได้พูดดูถูกพละนิกายอื่นว่าไม่เหมือนกับพวกตนเองและได้พูดลามใหถึงผู้บาอจารย์ของรัตน์ว่าพระรูกตารูปนี้เป็นพระมหานิกายเป็นยติเป็นธรรมยุทธ์เหมือนกับพวกพระเหน่งเขาพอดีผู้บาอจารย์ท่านได้ยินท่านได้เดินเข้าไปหาแล้วหันหลังพกสะบงขึ้นจนเห็นก้น ร้องกับกล่าวบ่ามายัดเข้าตูดข้านิทำใุทพะเงินกุ่มนั้นแตกกลุ่มไปคนละิศละทางก็เจอของจริงเข้าอย่างจังเรื่อนระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายเป่งเรื่องที่ยกขึ้นมาพูดหลังพุทธปรินิพานานานแล้วทำให้ผู้ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดีพอต้องไข่เสไปด้วยจนเกิดเรื่องเกิดกล่าวกันมานับไม่ท้วน ให้ขณะครูบาจารย์เข้าท่องรัตต์ก็มีเรื่องวิภาคษวิจาร์ไม่น้อยเมื่อคราวที่ครูบาจารย์เข้าท่องรัตได้ศึกษาข้อวัดกับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นเวลาพอสมควรจนครูบาจารย์เข้าได้ลืมลดอริตธรรมแล้วจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะตอนแรกท่านได้ไปกราบพระอุบายธรรมจากหลวงปู่ใหญ่ชั้งสองเป็นเวลาสั้นๆไม่ถึงกับธรรม สังฆ ก, กรรมร่วมกันแต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อไปกราบถึงปู่มั่นใกล้วันอุโบสถพระเนรด้วัดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้บางรูปก็ว่าผู้บาอาจารย์เข้าสองรัดไม่ได้ยติไม่น่าให้ร่วมสังฆ ก, กรรมด้วยบางรูปก็ว่าในเมื่อมีข้อว่าปฏิบัติเหมือนกันแถนมยังเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เดียวกันควรที่จะให้ร่วมสังฆ ก, กรรมด้วยกัน ตอนถึงวันลงอุงโบสถหลวงปู่มั่นไม่รู้ไปได้ยินมาจากฝ่ายว่าพระเนรกำลังกังวลในเรื่องนี้มากกลัวว่าเมื่อร่วมสังฆกรรมแล้วจะไม่เกิดผลดีต่อคณะสงฆ์สิททั้งสองฝ่ายเพราะเหตุเคลือบแคลงสงสัยในสังฆกรรมนั้นหลวงปู่มัน่นได้หาอุบายเพื่อพระเนรล่วงสงสัยหลวงปู่มัน่นจึงได้ถามครูบาอจารย์ในท่ามกลางสง์ ที่รวมฉันน้ํำปนะด้วยกันว่าท่านท้องรัฐสงสัยในสังฆกรรมอยู่บ่ครูบาอาจารย์กราบเปลียนพร้อมกับพนมมือครับกระผมกระผมไม่สงสัยหลอกขอรับเออไม่สงสัยก็ดีให้มาลงอุโบสถร่วมกันนะหลวงปู่มั่นพูดเพื่อครูบาอาจารย์เท่าก็ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ต้องลำบากใจจึงพูดไปว่า โดยขน้อยบอเป็นอย่างดอกขน้อยขน้อยเขาโอกาสไปลงทางหน้าพูนดอกขน้อยครูบาจารย์ตอบพร้อมกับพนมมือรับและต่อต่อมาเมื่อมีพระมหานิกายที่ไปกราบขอศึกษาประพฤติปฏิบัติกับหลวงปู่เจ๋อหลวงปู่มันที่ยังไม่ยติหรือไม่ประสงค์จะยติท่านก็บอกให้ไปศึกษากับครูบาาจารย์ของรัฐตลอด และได้มีพระสงฆ์ที่ไปขอศึกษาประเพฤติปฏิบัติกับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ไม่ได้ยติบางรูปถึงแม้จะไปขอยติท่านก็มียติให้โดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าผากกันไม่ยติหมดจะทําให้พระสงฆ์เกิดการแตกแยกเป็นกกเป็นเหล่ามากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนนิกายทั้งสองนั้น ให้เป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้ยติเป็นธรรมยุตินิกายที่เป็นสัทธมิตรและเป็นลูกศรริษย์ครูบาอาจารย์เท่าทองรักกันตัสิโลแม่ทัพธรรมในกองใหญ่ป่ายมานิกายสายบูรพาจารย์เสากันตัสิโลลุงปู่มั่นปุริทัตโตอธิเช่นหนึ่งลุงปู่มีญาณมุนีวัดป่าสูงเนินจังหวัด นอรราชสีมาสองุ่งปู่สีเทาบ้านแวงจังหวัดยโสธรสนุหงปู่พงบ้านโคกกองจังหวัดยโสธรสี่หลวงพ่อบุญมากที่จากันโรวัดภูมโรลำปางศักด์ประเทศลาวหานุ่งปู่กินรีจันทิโยวัดกันต์สีลาวา่าอําเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมหก ท่านเจ้าคุณพระพุทิยานเทระหรือหลวงพอ่อชาสุภัโทพ่อหนองปากคงอําเภอวาริชนชราบจังหวัดอุบลราชธานีเจ็ดหลวงพ่อขี่ธรรมุตตโมพ่อสนามไทยอําเภอทุบูนมังสาหานจังหวัดอุบลราชธานีแต่ภายหลังจึงยัติแหลวงปู่หมกุดน้ำเขียว อำเภอสวนภูมิจังหวัด 101. ร้อยเอ็ด9พระครูภาวนานิสาหรือหลวงพ่อสายจารุวนโนวัดป่าหนองยาวอําเภอเดชอุดอมจังหวัดอุบลราชธานีสิหลวงพ่อทาวัดถ้ำซับมืออําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสิอหลวงพ่อปุ่นชนัดโกวัดป่าชันธาราม บ้านคำแดงจังหวัดยโสพรส2องจงพ่อพรสะจาวโรวัดบ้านแก่งยางอําเภอบึงคริกจังหวัดอุบลราชธานีส3บสาจงพ่อกองแก้วชนกปัญโยวัดป่าเทพบุรมบ้านแก่งยางอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสิบสี่งพ่ออ้วนปักคุโนวัดจันจิยาวบาบ้านนามะเขือ อำเภอปลาเ่าวจังหวัดนครพนมเป็นต้น 17. ดคูบายเพื่อให้ได้ความเทศคุณพะอัวเล่าว่าคูู้บาอาจารย์ของรัฐหามีแต่ได้รับหน้าที่ให้ควบคุมดูแลพระเนรที่ปฏิบัติร่วมกันในสมนักหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นในช่วงที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองอย่างเดียวก็หาไม่ แต่การทำทุกอย่างก็เพื่อควบคุมหรือเตสติพระเนรผู้กำลังจะพรังเถอต่อพระธรรมวิไนซึ่งคนที่ตามมาคือความเต้าหมองของพระเนรเองในอุบัติครัง้งที่พระเนรที่เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่รูบาอาจารย์ทั้งสองแต่และองค์แต่และท่านต่างมีความประสงค์ที่จะได้รับรสพระธรรมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่องค์ท่านก็ทรมานพระเนนเหล่านั้นโดยไม่อบรมไม่เที่ยาจนพระเนรทนไม่ไหวจึงไปกล่าวเปลี่ยนครูบาอาจารย์เท่าทองรัตครั้งหนึ่งมีพระเนนได้ไปเล่าความประสงค์ให้ครูบาอาจารย์เท่าฟังว่าทำอย่างไรจึงจะได้ฟังธรรมะจากหลวงปู่มั่นสักทีครูบาอาจารย์ทองรัตจึงบอกว่าอยากฟังจริงๆหรือ เมื่อเห็นครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นพระเนรมองเห็นช่องทางที่จะได้ฟังเทศแล้วพนมมือผู้เสริมเข้าไปว่าผู้กับผมปฏิบัติกับหนุงปู่มั่นตั้งนานนมแล้วยังไม่เห็นองค์ท่านเทศสอนอะไรเลยกระผมที่จะเปลี่ยนใจลากลับแล้วขอรับกระผมไม่ยากเดี๋ยวตอนเย็นก็ได้ฟังท่านเทศ ครูบาอาจารย์ทองรัตปักปากหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาออกรับมินทบาตและบังเอิญวันนั้นมีโยมเอาแตงกวาใส่บาตรไม่ได้โอกาสครูบาอาจารย์เท่าทองรัตซึ่งเดินตามหลังหลวงปู่มัน่นก็ได้เดินล้วงเอาแตงกวาในบาตรนั้นออกมากัดเคี้ยวกินเฉยเมื่อลุงปู่มัน่นหันกลับมาดูก็ปิดปากไว้เมื่อท่านกลับก็เคี้ยวต่อผลปรากฏว่า ตอนเย็ยนได้เรื่องเพราะหลวงปู่มัน่นท่านเด็ดเทศให้พระเนนฟังสมความปรารถนามีอีกคราวหนึ่งที่เราสึบพอดกันมาว่าก็มีเหตุการณ์ที่พระเนนอยากฟังเทศเหมือนกันแต่ละคนกลุ่มคนเวลากันครูบาอาจารย์เท่าสองรัฐท่านก็ได้เอื้อเฟือ้อต่อพระเนนที่ต้องการฟังเทศหลวงปู่มัน่นคือตอนกลางวันได้เป็นต่อยมวยชกลง ไต้ถุนกุติหลวงลปู่มั่นส่วนแน่ใจว่าหลวงปู่มั่นท่านได้ยินว่ามีพระเนรไปต่อยมวยใต้ถุมกุติท่านตกตอนเย็นมาก็ได้ผลตามความคาดหมายเมื่อหลวงปู่มั่นท่านมาเทศแห้พระเนรฟังอย่างเป็นอิน่มทาให้พระเนรเห็นความสําคัญยกย่องครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐว่ามีความกระหายเป็นเล ER. ิศเพราะไม่มีใคร ลทลาทำในสิ่งดังกล่าวและยิ่งกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วพระเนรต่างไม่กล้าใหญ่เพราะที่ความเคารพยำเกลงต่อครูบาอาจารย์มาก 18. เฮ้ยบางใหญ่มาละโวยเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานีทุกคนที่โอกาสสัมผัสผลจากการปฏิบัติการทุกค น, กกคนแต่ลกคนจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบางคน ถ้าสติไม่เท่าทันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอาจต้องยอมแพ้อุปสรรคนั้นได้หรือบางคนอาจจะไปติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่และอย่างจะเป็นสิ่งขวางกัน้นหรือเป็นสิ่งสุดรัางในการเดินทางเนื่นช้าลงบางท่านถ้ารู้วีธีแก่ก็าสามารถเดินทางต่อไปได้ขึงที่หมายเร็วบางท่านต้องใช้เวลานานหลายปีก็มี น, นั้นจึงจำเป็นที่นักปฏิบัติใหม่ๆต้องมีคู่บาจาร์เป็นผู้ชี้ทางให้นี่ก็เป็นอุปสรร์อันหนึง่งที่หลวงปู่กินารีเล่าให้ฟังว่าในคืนวันหนึ่งมีพระสาราลูกหนึ่งและนั่งสมาธิภาวนาอยู่จนจิตใจสมบปรากฏตัวว่าท่านเป็นบางใหญ่คือก ร, รอบบินบินไปบินมาในสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเกิดจิติขึ้นในจิตใจว่า การปฏิบัติของตนเองได้คืบหน้าไปมากจนสว่างไปบินทบาทอาการนั้นก็ยังเป็นอยู่จนไม่อยากพูดกับใครพอบินทบาทมาถึงวัดเพื่อาการสติอยู่นั่นเองผู้บาอาจารเท่าได้ร้องตะโกนใส่เรียกอันหนังว่าเฮ้ยเฮ้ยบางใหญ่มาโละโวยพระชารารูปนั้นจึงสติกลับมาจึงรู้ตัวว่าตนเองถูกมิจฉาเอาอีกครั้งหนึ่ง หลวงพกิส ม, มุตตโมได้ฟังว่าในช่วงพรรษาไม่แน่ใจว่าในปีใดครูบาจารย์เท่าได้จะพรรษากับหลวงปู่เสาวและพระเนรจำนวนหนึ่งพระเนรทุกรูปต่างตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำความเพียรไม่มีใครจะพูดกับใครจนในวันหนึ่งที่พระรูปหนึ่งปฏิบัติจนคิดว่าตนเองเหาะได้ในขณะที่เอะอะวนวายอยู่นั้นหลวงปู่เสาว ไม่บอกครูบาจารย์เท่าว่าเอาไหมท่องรักเอาไหมคผูบาอาจารย์เท่าลุกคุณได้เอากำปั้นใส่กบขูพระองค์นั้นเต็มแรงพระองค์นั้นเด้ทลาไปตามแรงกําปั้นลม้มลงกับพื้นจึงค่อยสายและได้สติกลับมาสิบเก้าช่วยกตายให้กับพื้นความท้คแา้ จากสิ่งอันเปนที่รักที่ชอบใจย่อมนํามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาลูกศิษูปหนึ่งของครูบาอาจารย์เท่าเล่าว่าท่านได้มีโอกาสออกทุ ด, ดงร่วมกับครูบาอาจารย์เท่าพร้อมพระเองจํานวนหนึ่งในขณะที่ได้ทุดงผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่งที่กระท่อมได้มีคนร่วมกันจัดงานบางอย่างและในขณะที่กําลังจะเดินผ่านกระท่อมงานนั้น ได้มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งร้องหม่มร้องไห้ฟูงฟายปริ่มใจจักาดวิ่งตรงมาที่กลุ่มพระกรรมาฐานนั้นให้กราบมีมนให้ไปที่กระท่อม ง, งานและได on ้อ้อนวอนครูบาอาจารย์เท่าพร้อมกับน้ำตาให้ช่วยลูกเขาที่เพิ่งตายไปไม่นานให้กลับฟืน้นมีชีวิตใหม่ด้วยครูบาอาจารย์เท่าได้พูดเสียงอันดัง เหมือนกับได้โกรธกันมาก่อนว่าให้มันตายหมดทั้งตระ ก, กูลมันเลยหญิงคนนั้นได้หยุดร้องไห้และมองตาขวางแต่ครูบาอาจารย์เท่าเหมือนกับโกรธครูบาอาจารย์เท่ามาเป็นร้อยปีและครูบาอาจารย์เท่าถ้าได้โอกาสจึงเทพบรน า, นาถึงความทุกข์ต่างๆเพื่อให้หญิงคนนั้นคลายความเศร้าโศกจนในที่สุดหญิงคนนั้นได้คลายอากาศะอื้น และนั่งฟังเทศด้วยอาการสงบมองดูสีหน้าเหมือนกับคนไม่เคยร้องไห่มาก่อนผู้บาจานเท่าจึงได้พาพระเนนเดินทางต่อไปยี่สิบควายป่ายังขยาบผู้บาจานเท่าได้มีโอกาสทุ่ ง, งกับท่านเจ้าคุณอุบาลีจันสริจันโทและหลุงปู่มัน่นจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ครูบาอาจารย์เท่าของรัฐถึงแม้ว่าจะเป็นลูกติ์ของลุงปู่มั่นก็จริงแต่โอกาสที่ครูบาอาจารย์เท่าของรัฐจะได้ออกคู่ดงกับลุงปู่มัน่นมีให้บ่กยครั้นักอาจจะเป็นเพราะลุงปู่มั่นไม่ชอบให้ศิษย์ติดตามหรืออย่างไรไม่อาจจะทราบได้และในครั้งนี้ได้มีโอกาสพิเศษที่ได้ร่วมสะดงกับครูบาอาจารย์พร้อมทั้งได้ร่วมต้อนรับ ท่านเจ้าคุณอุบาลีด้วยในระหว่างทางเดินจากตัวเมืองมาที่บ้านสามผงต้องผ่านป่าเถกและผ่านโปง่งที่จัดป่าในานาชนิดต่าก็ลงมากินโปง่งในตอนบ่ายกแก่แก่ในระหว่างทางนั่นเองได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือเช่นทางที่กำลังจรเดินผ่านนั้นได้มีผูงควายป่ากาลังกินโป่งอยู่และได้มีควายป่าตัวเกลือ กำลังยืนจังก้าควางทางอยู่ทําท่าไม่เป็นมิตรกับใครด้วยความที่ทุกคนต่างตกใจทําอะไรไม่ถูกนั้นครูบาอาจารย์เท่าทองรัตได้เกโอ ก, กาสรีบเดินนําหน้าครูบาอาจารย์ตรงรีไปที่คลายป่าตัวนั้นพร้อมกับยกขาที่แข็งแกร่งและว่องไวถี่เข้าขี่คว า, ายโพงควายป่าตัวนั้นเสียงดังตึกควายป่านั้นได้ตกใจ ซึ่งนำหน้าควายป่าตัวอื่นแต่หนี้กระเจิงไปคนละทิศละทางอยากไม่ิชิชีวิตลุงพ่อเดชเป็นหลานครูบาอาจารย์เท่าและเคยอุปถารท่านมุคขาวอยู่บ้านคุ้มจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าหลวง ป, ปู่มั่นท่านได้ไปวัดโพชัยบ้านสามผงได้สร้างศาลาโรงทงเสร็จได้มิมนครูบาอาจารย์บรรลอนุโมทนา เป็นจํานวนมากแต่ก่อนภาษาที่อยูงนี้เป็นดินโป่งที่สัดป่าชอบลงมากินเป็นประจําและมีเบิงอยู่หลายบึงด้วยกันบางช่วงเป็นป่ารกทึบผููบาอาจารย์มาพักที่เวเทแถวนี้เป็นจํานวนมากตามคําบอกเล่าว่าที่เรียกสามผงเพราะวันหนึ่งมีในพานออกหน้าตับที่โป่งนี้ก็ยิงกวางตัวหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บ แลวิ่งได้ไม่ไกลก็ล้มลงทุกคนที่วิ่งตามกวายคิดว่ากวางตัวนั้นพุ่งหมดแรงและติ้นใจแล้วเลยชะล่าใจพอเดินเข้าไปใกล้กวางตัวนั้นได้ลุกขึ้นและกระโดดไปสามครั้งทําให้ฝุ่นคล้งกระจายไปทั่วทุกคนออกหาอย่างไรก็ไม่พบคิดว่ากวางตัวนั้นคงมีอิทธิฤทธิ์ต่อมาได้มีการสร้างกะท่อมขึ้นสองถสามหลัง ไก้ของนั้นเพื่อพักแรมในขราวไปว่าสัตว์ต่อมาได้ขยายใหญ่จนเป็นบ้านเป็นเมือนจึงเอานิิตหมายตรงนั้นมาเป็นที่บ้านเรียกว่าบ้านสามผง21วัดถ้ำจำปายายโกงแสนสุขบ้านวังไฮมบฑภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดบุกดาหานลาว่า หลวงปู่เสาถ้าได้มาสร้างวัดถ้ำจำปาบ้านคันแทบบนภูวงศ์อำเภอหนองสงจังหวัดมุกดาหารก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านวางไห่มากนักบางครั้งหลวงปู่ท่านก็ลงมาบินขบาย ท, ที่บ้านวางไห้และฉันอยู่ที่ตะลาาปีนปูแล้วจึงกลับขึ้นปูบางปีก็มีหลวงปู่มั่นมาจําภรษาด้วยแต่ก่อนบ้านวางไห้ยังไม่มีวัดปา่า บางวันญาติยโยมก็ขึ้นไปถวายกังหันที่ศาลาติงภูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านวังไหยมากนัก 22. สร้างวัดป่าบ้านวังไหยในปีพุทธศักราช2466ัรบผู้บาดจานเท่าทองรัฐได้มาสร้างวัดป่าที่บ้านวังไหยตอนนั้นยายกงอายุ 12-13 ถึงปีได้มาช่วยผู้ใหญ่คนดิน ุบ่อน้าด้วยในภรรษานี้มีชีสามคนคือคุณแม่บินคุณแม่จันทราคุณแม่เขียวพระสองรูปคือครูบาจารย์เท่าทองรัตกับครูบาเจิมกับสามเณรอีกหนึ่งรูปในภรรษาที่สองปีพุทธศักราช2467แม่ใหญ่คำมาก็ได้จัดองค์กถินสามขีดขึ้น เพื่อทอดถวายพระที่จำพรรษาแต่ก่อนท่านจะไม่ให้มีเจ้าภาพกระถิ่นทุกคนในบ้านจึงช่วยกันจัดหาผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าทอเองในภรรษาจะมีพระเกือบสิบรูปที่จําได้มีผู้บาอาจารย์เท่าทองรัตผู้บาอาจารย์เจิมอุบาอาจารย์โคดเมื่อทอดถวายผ้ากระถิ่นท่านแล้วท่านก็จะพากันเนยบเป็นไตรและยอมเจ็ดภายในวันนั้นบ่อยครั้งอุบาอาจารย์เท่า จะพาพระเนมได้กราบหลวงปู่เสาที่วัดจำปาหลังจากนั้นท่านก็เดินทุดงต่อไปต่อมาวัดวังไห้ก็มีพระสองฆ์อื่นมาพักหลวงปู่ลาเขมมปัตโตวัดผูจอะกอจังหวัดมุกดาหารเคยพูดไว้ว่าท่านเคยมาพักที่วัดนี้อยู่ครั้งหนึ่งเป็นวัดของผู้บาอาจารย์ทองรัตสร้างไว้ปัจจุบันวัดป่าวังไห้ ย้ยายกักที่เดิมไปติดกับลำห้วยบักอียังมีเหลือบ่อน้ำพอให้ทราบว่าที่ดังกล่าวเคยมีพระมัจจพันษาซึ่งใหญ่โงมีส่วนร่วมในการขุด